ว่าเป็นวันที่หกเนาะที่เราได้ได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเราก็คงเห็นผลว่าพอเราทําต่อเนื่องแล้วก็สติกตำลังมันก็ดีขึ้นอความม่วงก็ลดลงความทุ้งท่านมันก็มีนแต่ก็มันก็รู้ทันมันได้บ่อยขึ้นความหลงต่างๆมันก็ยังมีนะ มันก็ไม่ใช่ว่าจะหมดไปแต่ทีเดียวแต่มันก็สิ่งที่เราจะดูอ่ะคือใจเรามันเป็นกลางกับมันมากขุ้นนะมันไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติแล้วมันจะไม่มีกิเลสไม่มีความรู้สึกไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคมันมีแต่เราไม่เอานะการภาวนาคือมีนะมีแล้วก็รู้รู้แล้วก็วางนะ ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะนอกจากว่ามันหมดสิ้นไปทั้งหมดนะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเราก็รู้ว่าว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วแต่เราก็ไม่ไปยึตสภาวะนั้นๆ น, น, นะก็เพียงแค่รู้ว่างานเราเสร็จแล้วนะงานเราเสร็จแล้วมันก็แต่ก็ยังมีงานทางโลกที่ต้องมาช่วยกันทำต่อนะอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์พระสาวกต่าง งานส่วนตัวท่านเสร็จแล้วแต่ท่านก็ไม่นิ่งเฉยนะเพงานทางธรรมที่จะต้องเผยแพร่ที่ต้องช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากอยู่นะเนี่ยก็ยังต้องทําอยู่นี่คือมันมีงานสองส่วนนะงานส่วนตัวนะงานเฉพาะตนของเราอีกส่วนหนึ่งก็คืองานส่งเคราะห์โลกหรือว่าช่วยคนอื่นนะซึ่งมันก็ต้อง แต่ในทางปฏิบัตินะ่ะบางทีเราก็ไม่ต้องขนาดว่าเอาแต่ประโยชน์ตนจนจนไม่สนใจเรื่องของคนอื่นเลยหรือบางคนสนใจแต่เรื่องของคนอื่นแต่ไม่สนใจเรื่องของตนเลยนะมันมันมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเราก็ควรที่จะต้องนะเอาทั้งประโยชน์ตนด้วยเอาประโยชน์ทั้งของผู้อื่นด้วยก็คือว่า ฝึกหัดจิตใจของเราอยู่เสมอนะจะทําอะไรก็ถือว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจนะตลอดเวลานะจะทําอะไรก็เพื่อลดละกิเลสในจิตใจนะไม่พอบคูนอัตตาตัวตนให้มันใหญ่มันถ้ามันใหญ่แล้วมันก็จะมาลดมาเลิกเนี่ย ม, มันก็มันก็เป็นงานที่ยากเนาะนะเหมือนเราเหมือนกับคล้ายเสื้อผ้านะเรารู้จักใส่นะ เสื้อข้อขาส์ใส่หลายวันมันก็ดาขึ้นเรื่อยๆนานๆค่อยไปซักทีมันก็มันก็เป็นงานใหญ่เนาะมันก็เป็นงานที่ลำบากแต่ถ้าเราใส่วันนี้ก็ซักวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ทีเดียวมันก็ซักง่ายกว่าจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจเรามันก็สะอาดมันก็สว่างอยู่แล้วแต่พี่นะว่า ในแต่ละวันมันก็เจอกิเลสมาปนเปื้อนเยอะมันก็เลยสกปรกนะเลยต้องมาทําความสะอาดนะจะว่าแบบนี้ก็ถูกเหมือนกันนะหรือจะว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะในแบบเซนนะบอกอย่างท่านเวดางนะท่านบอกว่าท่านบอกตอนแรกมีคนบอกว่านะบอกว่ากายเราเหมือนกับต้นโพกิตเหมือนกับกระจกใส คอยมันเช็ดถูบ่อยๆนะฝุ่นละอองก็จะได้ไม่จับหรือต้องคอยมันเช็ดถูกระจกใสมันจะได้ไม่มีฝุ่นจับแต่นะแต่ท่านเวดังบอกว่ากายเราก็ไม่ใช่ต้นโพจิตก็ไม่ใช่กระจกใสเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะมาจับนะสือเราไม่ไปยึดถือว่า จิตใจมันคือกระจกที่ต้องมีภาระหน้าที่ที่ต้องคอยผัดผวาดเช็ดถู ด, ดูแลอันนี้คือถ้าเรามองเห็นอย่างแท้จริงว่าจิตมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานั้นก็ไม่ต้องคอยรักษาไม่ต้องคอยดูแลปล่อยมันไปเลยแต่คำว่าปล่อยเลยในที่นี้ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งคว้างนะประชชนคนธรรมดาบางทีปล่อยไปเลยคือ ไม่ทำความสะอาดไม่ดูแลเลยแต่เราก็ต้องใช้มันน ะ, ะจิตก็เลยจิตสกรปรกจิตก็เลยเมือนกิเลสครอบงำแต่คำว่าปล่อยเลยเนี่ยก็คือว่าไม่ไปยึดเราะมันคือเรานะแต่เราก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์คำว่าปล่อยคือไม่ไปเห็นว่าอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นตัวตนที่แท้จริงนะกายนี้ใจนี้นะคำว่าปล่อยวางด้วยปัญญาเนี่ย เราใช้เขาแต่เราไม่ไปยึดมันว่ามันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเนะี่ยคำว่าของของเราเนะนี่ยกายเนี่ยบางทีเรามักจะพูดจนชินว่ากายของเราใจของเรานะแต่จริงถ้าจะถ้าจะพูดให้ถูกก็กายนี้ใจนีนะ้ถ้าเราค่อยๆฝึกตั้งแต่การพูดนะกายนี้ใจนี้นะ มันเป็นเพียงแค่เรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของจิตใจเนะี่ยบางทีก็อาจจะเกิดความ เ, ออเข้าใจสภาวะมันได้มากขึ้นนะแต่ถ้าเราไปย้ําว่าเป็นของของเราบนะ่อยๆ่ยบางทีก็จะดองยึดได้ง่ายนะ่เราก็ต้องฝึกบางทีก็ฝึกสมมตินะเพื่อจะเอาให้มันเข้าถึงวิมุตินะตั้งแต่เรื่องการพูดตั้งแต่เรื่องการคิดนะ่ะ คิดเออมันเป็นเรื่องของกายคิดเป็นเรื่องของใจนะอันนี้ก็เป็นการช่วยได้บ้างแต่การภาวนาเนี่ยมันจะช่วยให้เราแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าเออมันเป็นเรื่องของกายจริงๆเนาะมันเป็นเรื่องของใจจริงๆเนาะมันจะค่อยๆให้เราแยกแยะได้เลยนะเหมือนหมอเนาะนะเราเรียนเรียนผ่าตัดจากศพจากอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมเราก็ไม่เห็นว่าข้างใน ของอาจารย์ใหญ่เป็นแบบไหนเราก็ต้องพ่าดูมันถึงจะเห็นนะเห็นอวัยวะภายในนะมันค่อยเห็นเข้าไปจาเนื้อนหนังของเราเนะี่ยเราก็ข้างนอกเราก็เห็นเพียงแค่หนังเห็นเป็นรูปรักษภายนอกแต่พอเราผ่าลงไปเราก็เห็นชั้นในลงไปจริงๆโอ้ร่างกายนี้เป็นแบบนี้เนะเาะ เราเนึกว่ามันจะสวยมันจะงามมันจะเป็นแบบนี้นะแต่จริงข้างในมันมีเลือดมันมีเนื้อมันมีสิ่งปฏิกูลมันมีสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าเอาเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยเราผ่าร่างกายออกมาเห็นอนะ่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเอานะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่มัน น่าเกลียดขยะขยะงไม่ไม่เกี่ยวข้องนะนะแต่เราเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็เราดุเราถูกหลอกมาเสียเงินนานนะหลอกให้รักนะเพราะรักรูปว่ามันจะต้องสวยว่ามันจะต้องหรอว่ามันจะต้องคงทนถาวรแต่คือเราหลงแค่รูปภายนอกนี่เองนะเหมือนกับอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์เนาะ ทีเราก็หลงรูปภายนอกหลงที่แพ็กเกจจิ้งนะแพ็กเกจจิ้งสวยแต่เนื้อในเป็นอะไรก็ไม่รู้คนส่วนใหญ่บางทีก็หลงแบบนั้นนะแต่การตลาดก็ต้องทําแบบนั้นนะแต่เราก็ต้องมีปัญญาว่าไม่ไปติดที่รูปภายนอกนะเหมือนกับเราไม่ไปติดที่บุคคลที่ภายนอกนะเพราะว่าลึกๆข้างในของแต่ละคนมันก็เหมือนๆกันท่า น, นแหละนะมีอวัยวะน้อยใหญ่คล้ายๆกัน อันนี้คือรูปถ้าเราเห็นความจริงเนี้ยมันก็จะคลายความยึดมัน่นคือมั่นไปได้แต่มันก็ไม่ใช่ที่จะละเป็นอุปทา น, นง่ายๆหรอกเพราะว่าเราก็ยังมีความดองกิดเชื่อ ว, ว่ารูปเนี้ยมันเป็นของเราเพราะเรารู้สึกตั้งแต่เราเกิดมาหรือเราจําความได้ว่ารูปเนี้ยมันอยู่กับเรามาหลายสิบปีแล้วนะมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างพัฒนามาตั้งแต่เด็กถึงตอนเนี้ยเนาะ เราไปดูรูปเราตอนเด็กดูดูรูปเราตอนใบรุ่นมาดูรูปเราตอนนี้นะมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่เราก็ยังคิดว่ามันเป็นรูปของเราที่มันพัฒนามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแต่จริงรูปนะมันก็มันสืบเนื่องกันเพื่อให้เห็นว่านี่นะคือธรรมชาติของรูปนะมันเสื่อมไปบ่อยๆแบบนี้นะมัน ไม่สบายหรือมันแก่ขึ้นเนี่ยเพื่อเตือนให้เราดูนะว่าเราจะยึดถือมันต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะต้องเผื่อใจไว้แล้วนะ เ, ออเห็นไหมแต่ก่อนฉันเคยแข็งแรงฉันเคยสุขภาพดีฉันเคยเดินเหมืนข่องแค่้วตอนเนี้ยฉันมาเตือนแล้วว่าฉันเดินไม่ค่อยไหวนะก้มงอไม่ค่อยได้เทนสายยึด เผมเเผ้วก็เริ่มงอกตาก็เริ่มฟาวเ่เข้ามาเตือนนะว่าจะพึ่งชั้นตลอดไม่ได้นะอ่าเวลาที่เธอจะพึ่งชั้นน้อยลงไปทุกทีนะอ่าเธอต้องเตรียมใจไปแล้วนะหรือไม่แน่นะวันนี้อาจจะดูยังพอใช้ได้แต่มันอาจจะพังโค้มไปเลยก็ได้นะคนะือมัดอยู่ได้เพราะส่งจดหมายมาเตือนเรานะนะ การแก่หรือการเจ็บเนี่ยคือมัจจุราชเขาส่งจดหมายเตือนนะเตือนว่าชีวิตเรามันมันไม่เที่ยมอ่ามันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เราคิดนะมันจะตายวันไตพุ่งวันไหนก็ได้เนาะอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอะไรที่คิดว่าเราต้องทาให้มันมากขึ้นนะอะไรที่เราคิดว่า มันจะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงเราได้ทําได้ยังนะเราทํามันมีหรือยังเราทํำจนทั่งมันมีมากพอที่จะพึ่งได้จริงได้ยังอันเนี้ยเนะี่ยคือเราต้องตระหนักนะว่า ส, สิ่งที่เป็นคุณค่าแท้เนะี่ยเราได้ทํามาแล้วหรือยังนะทำจนทั่งมันเกิดมีแล้วได้ยังหรือว่า ท, ทํำจนทั่งมันมีจนกระทั่งมากพอที่เป็นที่พึ่ง แ้่จริงๆแล้วตอย่างเนี่ยให้เราได้ระลึกเนี่ยถึงคุณค่าของชีวิตนะที่เราได้มีกายนี้เพื่อได้มาทำสิ่งนี้นั่นแหละ น, ะ, นะมันจะเป็นประโยชน์ตนนะที่ที่เราสามารถเป็นที่พึ่งกับตัวเราได้อย่างแท้จริงแต่ก็อย่างที่ว่าการที่เราอยู่กับโรคเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนาะด้วยด้วยสายสัมพันธ์ทางเรือญาติหรือว่า ความผูกพันความเป็นเพื่อนความร่วมงานความใกล้ชิดกันนะมันก็มีหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องรึ่งตรง น, นีน้เราก็เอาใส่ว่ามันเป็ น, นกลไกที่เราต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้กับเขาได้นะด้วยหน้าที่ของเราเองก็ดีด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ดีนะเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเพื่ออะไรมันไม่ใช่เพียงแค่ทาประโยชน์ให้กับคนอื่นเท่านั้นนะ แต่ที่จริงการทําหน้าที่ตรงนั้นน่ะมันก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมาเพื่อลดระเลิกความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยแหละลดระเลิกกิเรตตัณหาในใจของเราเนี่แหละน ะ, นะเช่นเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากคนเหนื่ดร้อนเราเสียสละเราบริจาคทานหรือว่าเราช่วยเหลือเขาเนี่ยมันก็เป็นการที่เราลดความเห็นแก่ตัว เราก็ฝึกการมีเมตตามากขึ้นใช่ไหมอันนี้คือเราก็ทําตรง น, นั้นไปหรือแม้แต่เวลาเราเกี่ยวข้องกับใครคนก็อาจจะยังตําหนิเราไม่พอใจเราคาดหวังผลจากเราเยอะเหลือเกินเราก็พลอยทุกข์ใจไปด้วยหรือเราก็พลอยไ ม, ไม่พอใจไปด้วยแต่เราก็สามารถฝึกได้นะเออฝึกให้อภัยผ่านกับเขาเนาะเออมองเขาอย่างเข้าใจ ไม่โกรธไม่เกลียดเขามันโกรธมันเกลียดก็วางไปนะคือมันก็เป็นการฝึกให้อภัยเขาได้ฝึกในการวางใจให้เป็นอุเบกขาอ้อนยอมรับความจริงเป็นแบบนี้เนาะเออมันก็เป็นเรื่องที่เออเราก็ต้องวางใจของเราเนะ่ะอย่าไปทุกกับเขาอันนี้คือมันก็เป็นการฝึกตนเนี่ยน ะ, นะเวลาเราทำหน้าที่เวลาเราเกี่ยวข้องกับ สิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราไปด้วยอันนี้คือทำทั้งหน้าที่ส่วนตัวทำหน้าที่ต่อคนอื่นเหมือนเราทำหน้าที่ส่วนตัวดีนะจิตใจเราเ่ลมเย็นจิตใจมันสงบเนี่ยคนอยู่ใกล้คิดเขาก็ได้พลอยสงบพลอยลมเย็นตามไปด้วยแต่ถ้าใจเราร้อนนะคนอยู่ใกล้เขาก็เขาก็กลัว หือว่าเขาก็ร้อนเขาก็ดนตามไปด้วยเนี่ยการแค่เราฝึกใจตัวเองนะให้สงบให้เย็นเนี่ยก็ส่งผลให้คนที่อยู่ใกล้คิดเขาก็คอยสบองบร่มเย็นตามไปด้วยเนาะเหมือนกลางวันแดดร้อนๆเหมือนีเนาะเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เออก็พอในอาศัยร่มเงาหรือว่าถ้าต้นใหญ่ๆก็คอยเย็นไปเลยสบายไปเลยเนี่ย จิตใจของเราก็เหมือนกันเนะ่ะเราจะฝึกตัวเองอย่างไงให้เหมือนเป็นกับต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่ที่มั่นคงเข้มแข็งแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับสับพรสัตว์ได้ด้วยอันนี้คือน่าจะเรียกว่าเป็นหน้าที่ของเราก็ได้นะที่เราได้เกิดมาใ น, ในชีวิตนี้และอีกส่วนหนึ่งก็การที่มีชีวิตนี้มันก็มันก็ต้องมีการตายเนาะเมื่อมีการเกิด ก็ต้องมีการตายเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นแพ็คเกจจิ้งที่เออแพ็คเกจที่ที่มาพร้อมกันนะบางคนหลงดีใจเมื่อเมื่อถึงวันเกิดหรือเมื่อมีทาลกเกิดใหม่ขึ้นมาหลงดีใจกันนะแต่พอถึงวันตายก็เสียใจกันนะ เหมือนกับคล้าๆไม่ยอมรับ ว, ว่าอันนี้คือเรื่องธรรมชาตินะเมื่อเกิดก็ดีใจเมื่อตายก็เสียใจแต่ถ้าเรามองเป็นธรรมดานะที่จริงถ้ามองแบบเป็นธรรมะนะคนมีทําคนสนใจธรรมะเนี่ยเห็นคนอื่นเกิดเนี่ยบางทีมันเหมือนดูทุกข์ๆใจแทนเขาสักหน่อยได้ทำนะมันเหมือนรู้สึกโอ๊ยชีวิตนี้ก็ต้อง ลำบากอยู่กับโรกใบนี้อีกกี่สิบปีนอเนะ่เนีะยะพ่อแม่ก็ต้องทุกข์ยากลำบากกว่าจะเดียงดูให้โตขึ้นมาจะผ่าน อ, อ, อันตรพานผ่านยาเสพติดผ่านอะไรต่างๆจะผ่านได้สักแค่ไหนกันนอ้อเราเห็นเนยนะว่าการเกิดใหม่เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ความสุขนะมันเป็นเรื่องที่ต้องผจนกับความทุกข์สารพัดนะ นะถ้าผ่านไม่ได้นี่ยก็ติดนะบางคนติดยาบางคนนะติดสุรานะบางคนติดการพนันนะบางคนทำชีวิตตัวเองให้ติดคุกอะไรเนะียมันก็เยอะแยะนะหรือบางคนโอ้เป็นคนดีในสังคมแต่สิ่งที่ติดคือความทุกข์ใจตัวเองนะเป็นคนดีขนาดไหนบางทีไม่ปล่อยวางก็ทุกข์นะทุกข์ ตอนแรกๆมีลูกก็ทุกเรื่องลูกต่อไปลูกมีหลานก็ทุกเรื่องหลานนะทุกนยะพอแก่ก็ทุกเรื่องลูกตัวเองที่แก่นะพอจะตายก็ทุกนะห่วงนั่นห่วงนี่แต่ละพัทอันนั้นถ้าเรามองที่จริงการเกิดเนี่ยมันเป็นทุกนะเราเกิดมาเนี่ยด้วยความเกิดมาเนี่ยพร้อมที่จะต้องผเผชิญกับความทุก แต่ปัญหาของชาวพุทธก็ไม่ใช่ต้องไปถามว่าทำไมฉันต้องเกิดมานะแต่ปัญหาที่ควรจะตั้งคือว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะเราจะทำอะไรก่อนที่มันจะตายนี่แหละนะนั้นะก่อนที่จะตายเนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากช่วงเวลาที่เรามีชีวิตนะเราต้องถามตัวเองเราพร้อมที่จะตายจริงหรือเปล่านะ เราพร้อมด้วยคําพูดเราพร้อมด้วยความคิดหรือเราพร้อมด้วยจิตใจอย่างแท้จริงนะมันมีหลายระดับนะพร้อมด้วยคําพูดที่พูดออกไปพร้อมด้วยความคิดที่คิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะพร้อมหรือพร้อมด้วยใจที่รู้สึกว่ามันพร้อมจริงๆรงิมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆทั้งเรามั่นใจตัวเราเอง แล้วเรามั่นใจไหมว่าเราสามารถจัดสรรหรือว่าก็ไม่ใช่เชิงจัดสรร น, นะเราได้เตรียมเนะี่ยเตรียมคนรอบข้างอนะ่เตรียมสิ่งแวดล้อมให้เขาพร้อมที่จะอ่านะจอมรับความตายของเราเนี่ยนะหรือว่าเขาสามารถจัดการหลังจากที่อ่านะเราตายไปแล้วอย่างไม่มีปัญหาได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็สามารถจัดสรรได้นะ อย่างคนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะจัดสรรตรงนี้อย่างเห็นเห็นตัวอย่างชัดๆอย่างเช่นหนงพ่อคำเขียนยนะเนาะพอท่านรู้ว่าป่วยหนักรักษาไม่ได้แล้วก็ต้องตายแน่ๆนะท่านก็จัดสรร น, นะจัดสรรว่าจะตายที่ไหนนะตายในสภาพแวดล้อมอย่างไรนะ หรือว่าตายไปแล้วจะจัดการเรื่องศรีระสังขารของท่านอย่างไรเนี่ยจัดการเรื่องร่างตายอย่างไรซึ่งก็คือมันก็ทำให้ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะตายก่อนรัสังขารก็ปัญหาก็น้อยนะหลังจากที่ท่านรัสังขารแล้วก็ปัญหาน้อยนะอย่างไม่แต่หลวงพอ่อปูลเองท่านก็ทำพิธีกรรมของท่านให้ให้ปัญหาในเรื่องหลังจากที่ท่านเสีย น้อยลงไปเนาะหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เห็นนะโอ้พระพุทธองค์ก็เลือกปฏินิพพานที่เมืองกุสินาราซึ่งสมัยนั้นมันเป็นเมืองเล็กๆนะแต่พระพุทธองค์ท่านก็รู้ว่าเรามาปฏินิพพานที่เมืองเล็กๆแบบ เ, เ น, นี้ยดีกว่าถ้าเราไปปริมาณในปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆเนะี่ยเดี๋ยวเจ้าพระเจ้าแทนดินในแคว้นนั้นๆเขาก็จะไม่ให้ กนะ็จะเกิดสงครามกับแคว้นอื่นเพราะว่าแคว้นอื่นก็จะมาแย่งสตรีรักของเรานะเี๋ยวจะเกิดสงครามกันอย่างพระอานนท์เนี่ก็เหมือนกันนะตอนปริญิาพานอายุร้อยยี่สิบปีนะพอท่านจะปริธิาพานเนี่ยญาติสองฝั่งนะฝั่งบฝั่งพระราชบิดากับพระราชมารดาณนะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำโลฮินีนะเนี่ยเตรียมจะทำสงครามแย่งศพ พระนน์กันละพระนนท์ท่านรู้ด้วยยานว่าเขาจะมาทำเขาแต่ลั่ไปก็รักห่วงแหนท่านนะแต่เป็นการรักผิดนะรักที่รูปของท่าน <c oughs> แทนที่จะรักที่คุณธรรมของท่าน <c oughs> แต่ท่านก็อนุขเคราะห์ว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขตอนให้เขาเปลี่ยนทิฏฐิดได้โดยง่ายท่านก็อาศัยว่าตอนจะประลิพนิพานก็ หอขึ้นใบกลางอากาศนะแล้วก็สลายร่างเป็นผุยขงดวงทั้งสองฝ้าฝั่งแม่น้ำโลฮินีให้เท่าๆกันจได้ไม่เกิดปัญห า, า, าทำสงครามแย่งแยงสตรีละของท่านอันนี้คือคนที่มีปัญญาก็เป็นการเตรียมตัวได้เนาะเป็นการเตรียมตัวได้อันนี้ถ้าเราเตรียมตัวได้เราก็ดี แต่ถ้าบางครั้งมันฉุกลิหกมันมันไม่ทันจริงๆเนาะเราเตรียมไม่ได้ทั้งหมดก็ให้เราเตรียมใจเอาเนาะอืาให้เราวางใจเอาว่าเท่าที่มันจะได้นั่นแหละ <c oughs> มันได้ขนาดไหนก็เท่านั้นมันที่เหลือก็ปล่อยไปเรื่องตามยถากรรม <c oughs> มันก็เราไม่สบายควบคุมอะไรได้ทั้งหมดนะก็ให้วางใจแบบนี้ฮะมันก็ไม่ใช่ว่ามันทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟก ต้องสมบูรณ์ต้องดีนะเพราะที่จริงทุกอย่างมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยนะชีวิตเราเองก็ดีหรือการออกแบบความตายก็ดีเราก็ทำตามเหตุปัจจัยที่มันทำได้แต่สุดท้ายแล้วนะมันจะไม่เป็นตามที่เราคาดหวังตามที่เราต้องการเราก็ต้องยอมรับมันนะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่พระจ้าท่านสอนคือ การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นถ้าเรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้เนี่ยอะไรก็ได้นะชีวิตเนี่ยจะอะไรก็ได้นะจะอยู่แบบไหนก็ได้จะตายแบบไหนก็ได้ตายแล้วจะไปแบบไหนก็ได้นะนะถ้าเรายอมรับแบบนี้ได้จริงเนะี่ยมันจะเกิดจิตที่ปล่อยวางนะนะแต่บางทีนักภาวนานะบางที ต้อเตือนไว้บางทีการกลัวตายก็ไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยกลัวตายแต่กลัวว่าตายไม่ดีกลัวว่าตายแล้วจะขาดสติหรือว่ากลัวว่าจะไปทุกขติใช่ไหมฮะอืะกลัวกลัวอย่างนั้นนะแต่บางทีนะให้เราดูทันความกลัวตรงนั้นนะวางมันไปเลยอย่าไปคิดเรื่อง นั้นเรื่องนี้เออแต่เราอาจจะตั้งใจปรารถนาที่อยากจะให้ฝึกให้มันมากขึ้น น, น, นก็ใช่อยู่แต่บางทีความกลัวความกัววมกงวลของเราเนี่ยแหละกลัวว่าจะตายด้วยความทรมานตัวกลัวด้ววจะตายแล้วมันไม่สงบกลัวว่าสิ่งที่เราจัดการวางแผนไว้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรือกลัวว่าตายไปแล้วจะไปในคติ ที่ไม่ดีนะน่ะอันนี้คือความกังวลนะอความกังวลที่มันจะมาหลอกเรามาทําให้จิตใจมันไม่สงบจิตใจมันไม่พร้อมที่จะก้าวผ่านอย่างแท้จริงแต่จริงเนี่ยเราฝึกรู้สึกตัวเราฝึกมีสติเนี่ยแหละนะตรงเนี้ยได้ทั้งขณะ ท, ที่เรามีชีวิตอยู่และได้ขณะ ท, ที่เรากําลังจะตาย เพราะว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะนะมันก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหาในโลกนี้ได้นะอย่างดีหรือว่าตอนที่ใกล้จะตายนะจิตมัน ก, นกังวลกระวายมันคิดฟุ้งซ่านไปแล้วก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมานะ่ะปล่อยวางกับสิ่งต่งตางๆได้เนะี่ยมันก็เป็นการตายดีนะมีคนเคยถามแตมาว่า การเจรินมรณาสติดีไหมนะออกมาว่าก็ดีก็ดีเขาควรนะึกถึงการออกแบบชีวิตนะในตอนตายหรือว่าการจัดการร่างกายหรือสมบัติหลังจากที่หรืองานศพตอนที่เราเสียชีวิตแล้วมันก็ดีนะอแต่ที่จริงแต่การเจริญสติเนี่ยการรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ช่วยให้เราดีตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายด้วยซ้ําเพราะ บางทีชีวิตเรานะมันปัญหามันไม่ใช่เพียงแค่ความตายเท่านั้นแต่บางทีคนเราก็หลงหลงเพราะว่าความสุขก็มีนะเช่นเราได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงเกียรติยศถ้าเราไม่รู้ทัน่ะเราก็เป็นคนหลงตัวดืนตนใช่ไหมฮะก็หยิ่งพยองก็ปวดตัวตัวเองใหญ่ตัวเองแน่มันก็เป็นความหลง ซึ่งความหลงแบบนี้บางทีน่าเกียิกว่าความตายด้วยซ้น่ากลัวกว่าความตายด้วยซ้าทั้นนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยรับมือได้ทุกสถานนะไม่ว่าจะเป็นโลกกระท่ไฟบวกที่เข้ามาถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะหลงมัวเมากับมันหรือโลกกระท่ไฟลบที่มันเข้ามานินทาสูญเสียของสูญเสียคนรักหรือว่าอะไรต่างๆที่มัน ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเออเราก็เราก็สามารถวางได้ปล่อยได้ดสุดท้ายเมื่อความตายมันก้าวมาถึงนะการที่เรารู้สึกตัวเราก็จะเห็นเห็นธรรมชาติของกายเห็นว่าการตายเนี่ยเป็นเรื่องของกายที่มันตายแต่ใจเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะใจตอนนี้มันเป็นแบบไหนใจตอนนี้มันกนังวล หรือว่าใจตอนนี้มันเป็นปกติใจตอนนี้มันห่วงหรือว่าใจตอนนี้มันวางได้นะเราก็กลับมามีสติคอยดูแลใจนี่แหละนะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะแต่การระลึกถึงความตายมันก็ทาให้เราได้เกิดการเขียมตัวแล้วก็เกิดการฝึกหัดตนให้มากขึ้นนะซึ่งก็ดีดีมากๆากเนะี่ยเราก็ต้องอันนั้นในทาง ในการที่เราจะฝึกตนเนาะบางทีอันนึะ่ะเราได้ยินได้ฟังนะในเรื่องของชีวิตและความตายในเรื่องของการฝึกตนนะี่คือเรื่องการได้ยินได้ฟังอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้เราได้คิดนะทำให้เราได้คิดตามทำให้เราได้ทบทวนชีวิตทำให้เราได้คิดถึงเป้าหมายของชีวิตของเราแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ เราต้องเอามาทำนะทำให้มันเกิดเกิดเป็นมรรคเป็นผลในชีวิตของเราให้ได้บางทีหลวงพ่อเทียนท่านเปรียบเทียบนี้ง่ายนะท่านเปรียบเทียบเหมือนกับข้าวนะข้าวเปลือกมันดีไหมมันก็ดีนะแต่มันกินได้ไหมยังกินไม่ได้เอาข้าวเปลือกมาสีล้วเป็นข้าวสารก็ดีไหมมีข้าวสารก็อุ่นใจ แต่ก็ยังกินไม่ได้เหมือนกันนะต้องเอามาเป็นข้าวนึ่งข้าวหุงนะให้มันร้อนอนะ่ให้มันสุกอันนั้นแหละข้าวนึ่งข้าวหุงค่อยเอามากินได้จริงๆอันนั้นท่านก็เปรียบเทียบเหมือนนะบางทีความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยเปรียบเสมือนกับข้าวสารนะความคิดได้ความวิเคราะห์ได้เนี่ยเปรียบเสมือนกับ เออความรู้ที่เราได้ยินใน้ฟังเปลียนเหมือนเข้าเปลือกเนาะความคิดได้ความที่เราจําที่เราสามารถคิดได้วิเคราะห์อะไรต่างๆได้เนี่ยเหมือนกับข้าวสารแต่การภาวนาจะนั่งเข้าใจเข้าถึงเนี่ยก็คือเข้าสวยนะแต่สิ่งสูงสุดก็คื อ, ค, อความพ้นออกไปความดุดออกไปความบางออไปเนี่ยความมิมุติเนี่ยคือเราเอาข้าวมากินนะ เราเข้ามากินจนทั้งมันเกิดเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของเราจิตใจก็เหมือนกันเราต้องเราเอาศัยธรรมะเนะี่ยทั้งส่วนของการได้ยินได้ฟังส่วนของการพินิจพิจรารณารวมทั้งส่วนการที่เราเอามาทําำในะการภาวนาเนะีนะ่ยภาวนาเยอะๆไปมันก็จะค่อยๆเกิดผลเมื่อเรากินข้าวนักก็กิน ข้าต้องว่าด่เม็ดนะบ่อเราจะอิ่มในแต่ละมือ้อภาวนาก็เหมือนกันก็ต้องเหมือนสสมชั่วโมงไปนะสะสมความรู้สึกตัวสะสมสติเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราก็พยายามใส่ใจรู้ตัวบ่อยๆเนะี่ยมันก็จะไม่ฟีนะหนุนทีเราภาวนาเนะี่ยถ้าเราถ้าภาวนาไปคิดไปนะหลงไม่รู้ตัวมันก็ภาวนาฟีฟีนะก็ได้แต่รูปแบบ แต่ไม่ได้ตัวสตินะเราขยันเดินขยันนั่งขยันหายใจนะขยันทารวมภายนอกแต่ไม่รู้ทันนะความรู้สึกไม่รู้ทันจิตใจเนะี่ยมันก็ภาวนาฟรีๆนะได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ได้ประโยชน์น้อยนะแต่ถ้าเรานะคอยรู้สึกตัวนะแต่ไม่ใช่แบบคอยแบบตั้งใจเกินไปนะคอยสังเกต มันใบ่อยๆระลึกใบบ่อยๆนะพอรู้แล้วก็วางแล้วก็รู้ใหม่ไปเรื่อยๆเนะี่ยมันได้ประโยชน์นะมันได้ประโยชน์เราก็ต้องสะสมเอาเนะสาะสะสมแล้วก็ต้องเอาไปทําต่อนะบางทีหกวันนี้เจ็ดวันนี้มันก็ยังไม่เพียงพอทั้งหมดเนาะแต่มันก็คงเป็นคล้ายๆเป็นแรงจูงใจเนาะให้เราเอาไปทําต่อนะเพราะว่า ให้เราถือว่าเราทําทั้งชีวิตนั่นแหละนะจะได้อะไรก็ชั่งหัวมันนะอยากจะมาก็คิดว่าเออุทิตทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อการภาวนาเนาะนะชีวิตก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้ระดงมา ก, กี่พบกี่ชาติเคยภาวนามากเราขนาดไหนเราก็ไม่รู้หล้วนะเออแต่ชีวิตนี้มันก็คงไม่นานสักกี่สิบปีดหรอนะเอาชีวิตนี้เพื่อการภาวนาอเอาเถอะนะ คนเขาเอาชีวิตไปทําอย่างอื่นก็ไม่เห็นจะอะไรนะ่ะไม่เห็นเอาไปได้จริงๆเนอะมีเงินเป็นหลายร้อยล้านพันล้านก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้มีที่ดินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นไร่ก็เอาไปไม่ได้สักทีนแต่บุญกุศลการภาวนานี้มันถ้ามันจบก็ดีนะไม่จบก็คงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้เอาไปทําต่อ มาก็คิดอย่างนี้นะเออคิดว่าชีวิตนี้มันก็อาจจะทําแบบนี้ก็ญาโยมเองก็ถ้าคิดแบบนี้บ้างก็ดีนะแ ต, แต่ก็อาจจะทําคนละแบบเนาะพวกเราก็อาจจะไม่ได้มาบวชแบบนี้แต่ถ้าจิตเราเป็นแบบนี้ก็ถือว่าจิตเป็นพระเหมือนกันนะบางทีรูปแบบภายนอกไม่ได้เป็นพระไม่ได้โคนหัวไม่ได้บวชทีนะแต่ถ้าจิตเรานะ่ะคุณ คุณคิดหรือว่าทำในเรื่องที่ดีในเรื่องที่เป็นการรู้สึกตัวนะฝึกใจอยู่เสมอเนะี่ยก็ชื่อว่าเป็นพระนะเป็นพระโดยใจนะไม่ใช่เป็นพระโดยรูปรักษ์ภายนอกซึ่งตอนนี้มีค่ามากกว่าเป็นเป็นพระหรือเป็นนักบวดในรูปแบบด้ว้ซนะ้ำถ้าเราทำแบบนี้นยิ่งดนะียิ่งเป็นภารวะยิ่งภาวนาไปด้วยเนะี่ย มันยิ่งเป็นเครื่องคุ้มคลองใจหรือว่าทําให้เรามีดักนะความทุกข์ความโกรธความหลงก็จะได้ลดน้อยลงไปแล้วก็ยิ่งเราเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนเนะี่ยเราก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เขาสงบให้เขาเย็นให้เขาเบาใจได้ได้เยอะได้นะแลยเราได้ทําหน้าที่ของเราทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อคนอื่นนะไปพร้อมๆกันไปเลยนะ เนยะเราให้เราทำหน้าที่ตรงนี้เนาะอันมาก็เชื่อว่าพวกเราในที่นี้ทุกท่านก็คงตั้งใจในแนวนี้อยู่แล้วแหละนะแต่เพียงแต่ว่าให้ความตั้งใจนะมันมั่นคงนะอย่าให้ความตั้งใจมันมันตั้งใจวันนี้แล้วก็วันหลังก็ดืมวันหลังก็ล้ ม, ม น, นะมแต่ก็ถ้ามันล้มโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วนึกได้งม่ไหรก็ตั้งให้มัน แน่นขึ้นน ะ, ะเหมือนกับบางทีเสาดักปักขี้เรนนะบางทีมันงอนแงนคนแขนมันจะล้มแหลกไม่ล้มแหล่แต่ไม่เป็นไรเราตอกมันลึกลงไปนะ่ะฝังไปลึกเรื่อยๆนะมันจะเป็นเลนก็เลนแต่เรนลึกลงไปมันต้องแน่นขึ้นเรื่อยๆนะจิตใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วแต่เกิดอะไรก็แล้วแต่ก็ตอกลงไปมันลึกๆนะ ฝังนี่มันแน่นๆน่เอาเนี่ยแหละเอาความตั้งใจแล้วก็เอาความเพียรเอาความฝึกฝนบ่อยๆนี่แหละมันจะเป็นตัวที่พิสูจน์ว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วในชีวิตนี้มาเชื่อว่าถ้าใครที่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เนะี่ยตอนที่มันจะตา ย, ยาจริงๆเนะี่ยมันก็จะไม่กลัวแล้วมันก็จะพร้อมเพราะว่าเรารู้แล้วเรามั่นใจแล้วเราเชื่อแล้วเชื่อมั่นในตัวเองว่า มันทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วแม้มันไม่ถึงที่สุดนะแต่มันก็ด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถมันทำได้แค่เนี้ยก็วางใจได้ง่ายแต่ถ้าตอนที่จะตายแล้วเราก็ยังคิดโอ้ยังไม่ได้ทำอันนี้เลยยังไม่ได้ทำนั้ น, น, นเลยหรือว่ามันทำยังไม่ดีเลยนะวงหน้าเพราะวงหวังเนะี่ยมันก็จะตายไม่ดีแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่ที่เราได้ทำเต็มที่เนะนะอะไรจะเกิดขึ้นมาเราจะวางใจได้ง่าย นะเหมือนเราบางคนเป็นหมอเป็นอะไรนะั้นเหมือนเราทําหน้าที่เรารักษาเขาเต็มที่ดีที่สุดแล้วนะพอถึงที่สุดแล้วมันรักษาไม่ได้เออเราก็จะมันก็จะวางใจได้ง่ายนะวางใจได้ง่ายกว่าบางทีอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําอันนั้นก็ยังไม่ได้ทํา อ, อ๋อเขาไปละมันเหมือนเสียดายนิดนิดแต่บางทีเหตุการณ์ภายนอกกับคนอื่นบางทีเราก็มีหลายเหตุผัใจนะัดที่เราทําไม่ได้แต่ในชีวิตของเราเองอนะ ให้เราลองดีไซน์ชีวิตของเราเองนะให้มันเต็มที่นะทําให้มันเต็มที่นะแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนเคร่งเครียดจริงจังเกินไปนะเราก็ทําเต็มที่แต่แบบทําแบบสบายสบายนะทําแบบมีความสุขทําแบบพอใจในการกระทําของเราแต่บางทีเราอยู่กับทางโลกบางทีมันก็มีคนไม่เข้าใจโอ้มาปฏิบัติธรรม ท, ทาไม มาวัดทําไมเสียเวลาเสียเงินเสียทองอมาแล้วได้ประโยชน์อะไรเมืองก็จะมีคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะปล่อยมายุงยงมาพูดแซวมาอะไรเนาะเราก็อย่าไปคุ้ยเฟยอย่าไปหวั่นไหวกับเขามองเป็นเสียงนกเสียงกาบองแบบสงสารเขาที่เขายังไม่เข้าใจนะก็ไม่โกรธไม่เกลียดอะไรนะ ก็มองแบบสงสารมองแบบเออถ้าถึงโอกาสเดี๋ยวเราก็จะบอกเขาจะแนะนําเขาอะไรนะครับมองแบบเนี้ยก็มันก็จะดีอย่าไปมองด้วยความโกรธความไม่พอใจชีวิตใครก็ชีวิตมันกรรมใครกรรมมันนะ่ะกรรมของเราเราก็ต้องทาเองกรรมของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ช่วยเขาบ้างแต่ก็ช่วยเขาที่ช่วยได้นะ่ะไม่ใช่ช่วยจนทางตัวเองก็ทุกข์นะ่ะ คือตัวเองก็เครียดแต่จริงการช่วยแบบไม่ทุกข์ก็ทําได้นะก็ต้องวางใจช่วยแบบไม่ทุกข์หรือบางทีไม่ช่วยแต่ก็ไม่ทุกข์ก็ได้นะบางทีก็ต้องมองเป็นเรื่องวิบากกรรมของเขาบางทีเราก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องวางนะจะไปยื้อมากก็เหมือนคนจมน้ําไปช่วยคนจมน้ํำนะก็ตายกันทั้งคู่บางทีเขาจมน้ําลึกต้องวิ่งไกลเราไปไม่ไหวก็วต้องปล่อยเขาวางใจเอา ทำเต็มที่แล้วก็ได้แค่นี้นะนักก็วางว่้พวกเราคงได้ได้พินิพจารณาแล้วก็คงจะไยเอาไปทําต่อในเวลาที่เหลือในชีวิตนี้ของเราเนาะทาให้มันเต็มที่ทํให้มันถึงที่สุดแต่ได้ขนาดไหนก็ก็วางใจยอมรับความจริงด้วย